แกมัวว่านในพักพรอนบ่ได้ไปใส่บ่ลงไปเมื่อเนี้ก็บเพิ่นกับนิโมนอยู่แต่คือจะพอไปดอกเมื่อเนี้ยไงพักผ่อนเช่นกันพักเครื่องบ่ลไปคือเกิดกับรถท่านรถมันพังเลยมันเท้าบ่อ่อมมั่นบ่ลไปมีแต่ใส่กับใส่มั่นมั่นกับอนุสันต์เขาคือกันเด้เพราะบุญหงจักเท่าต้องให้มันพักบ่ลงไป พักเครื่องคือซ้อมเครื่องไอันนี้คือการการพักก็คือการซ้อมเครื่องและจากนั้นก็หมองในที่มันทีพ่อจะยุดจะยาเลยเอายามาใส่ยามาใส่ก็คื อ, คอแก้เครื่องยตนคือร่างกายของเขาคือการกรนะโดดมันบอบพีดกันหอกขันนว่าเข้าโบู์จักใส่ใส่ตะพัดใส่ตะพือ้อายุมันก็สันเขาบางคนก็นเห็นงแต่ ผลประโยชน์ว่าจะได้กระใสรถตะพื้นๆแบบตำนักเข้าไปรถกันอายุสันเขาการใส่โดยความทนุถนอมอยู่จักในการใส่ก็เออรถขนาดอายุอายุยาวขึ้นเจ้าของคือไผ่คือใจใจเป็นเจ้าของของรถรถคือร่างกายใจคือเจ้าของของรถถ้าเจ้าของของรถ ใช้รถตะปีตะบันใช้รถแบบไม่ทนุถนอมใช้รถไม่มัญญะบรรยงทำให้รถคันนั้นพังยับเยินได้ง่ายแต่ถึงยังไงก็ตามถึงจะใช้ทนุถนอมขนาดไหนก็ตามอายุของรถก็ต้องหมดเหมือนกันอายุของรถมันก็ต้องหมดไม่มีรถคันไหนจะอยู่โชกฟ้าดินสลายพอไปในระดับหนึ่ง เดี๋ยวกนอน็อตเกิดฉนิมเดี๋ยวกนอน็อตหลวมเดี๋ยวขบโปเกนแข็งและขอยางสายยางตัวนั้นหมดอายุผลที่สุดหมดมาหมดไปผลที่สุดลูกสูบหลวมลูกสูบติดเข้าไปท่นี่ผลที่สุดรถคันนั้นก็จอดอีกเหมือนกันแปลว่าหมดสภาพหมดอายุของการใช้งานต้องเก็บเข้าสุสาน แปลสภาพเอาเหล็กมาถลุงเอามาเหล็กมาใช้ใหม่เปลี่ยนเป็นคันใหม่ต่อไปนี่แหละร่างกายของเราก็รักษณะอย่างนั้นร่างลเม่อยังมีการเปลี่ยนแปลงได้ยังมีการซ่อมได้จิงกว่าคนแต่คนนี่ซ่อมได้เปลี่ยนอะไรไม่ได้เปลี่ยนอะไรได้เป็นบางอย่างถ้าใครจะเปลี่ยนสมองไม่มีทางที่จะเปลี่ยนได้เหมือนนั้นเปลี่ยนได้แต่ไตบ้าง ออหัวใจบ้างนะที่เขาเขาเปลี่ยนกันนะแต่เปลี่ยนสมองตัวสำคัญนะมันเปลี่ยนไม่ได้เนี่ยเหมือนกันนะ่ะร่างกายมนุษย์มันเปลี่ยนยากเปลี่ยนไม่ได้เป็นบางตัวแต่รถรานั้นเขาเปลี่ยนได้ยกเครื่องได้สรุปแล้วก็คือร่างกายของมนุษย์ เ, ยเหมือนกับรถมีจุดจบเหมือนกันเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่าน อย่าตั้งอยู่ในความประมาทเมื่อออกจากรถคันนี้แล้วถ้าเรามีมีทุนหาเงินไว้ตุนไว้ในขณะที่เราขับขี่รถเราไม่ไว้ใจรถคันนี้แต่เราก็พยายามหาทุนไว้เผื่อรถคันนี้มันเสียขึ้นมาเมื่อไหร่ถ้ามันเสียน้อยเราก็ซ่อมถ้ามันเสียมากมันไม่ไหวแล้วเราต้องเปลี่ยนคันคันใหม่รถคันใหม่ ในขณะที่เปลี่ยนรถคันใหม่นะั้นเงินทุนเราพอหรื อ, อยังเราได้เตรียมเงินทุนไว้พอหรื อ, อยังถ้าว่ายังไม่พออันนั้นไม่น่าไว้ใจนะถ้ารถคันนี้เสียไปเราต้องย่าตอกแหนว่วงกันเถอหรือว่าอาจจะได้รถไม่ดีเท่าคันนี้เพราะมันพร้อมที่จะตกหล่นได้ถ้าว่าเราไม่มีเงิน่ะเราจะไปซื้อรถ เองนี่ได้ยังไงเพิ่อเพิอเกิดซื้อมอเตอร์ไซค์นั่นเองอ่ะเพิอเพิ่อจังรถ ล, ลําดับลงไปอีกจั ก, กรยานนะเพิอเพอรถกว่านั้นอีกอาจจะได้เดินนะเทําไมเพราะเราไม่ได้เตรียมพร้อมในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ขณะนี้เดี๋ยวนี้ถ้าเราเตรียมพร้อมหาทุนไว้เมื่อเราได้รถคันนี้แล้วพยายามหาทุนเออ ทำมาค้าขายไปที่ไหนซื้อขายแล้วก็เก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินพอรถคันนี้พังทุนของเราเยอะแยะเราจะซื้อรถคันไหนก็ได้เพอเพอไม่ต้องซื้อรถเหมือนกันซื้อเครื่องบินเลยยิ่งเร็วกว่านะเพราะเหตุใดเพราะว่าเรามีสมาธิมีปัญญามีศินสมาธิปัญญาเป็นเครื่องอยู่ของจิตใจเราก็พร้อมที่จะบินได้เลยขึ้นไปชั้นพรมอนะไรเงี้ยไม่ต้องอยู่สันสวรรค์ พรมมีหลายชั้นอีกต่างหากพรมพระสกทาพรมพระโสดาพรมพระสกทาพมพ ร, พรมพระอนาคาถนะถ้าใจิตใจเป็นสมาธิพร้อมได้จะเป็นพรมใดทั้งนั้นละ่ะโดยมากจะพรมพระอนาคารนะพระโสดาบันโดยมากไปพักผ่อนได้เวลาก็ลงมาเกิดหนึ่งชาติสามชาติเจดชาติเป็นอย่างชาติพระสกทาคามีหนึ่งชาติอย่างชาติที่ท่านหาทุนได้แล้ว ทุนแน่นอนอ น, นี่ของท่านไม่ตกไม่หลน่นถ้าต่ำกว่านั้นลงมาตกหล่นได้ต่เขาประสูคดาบันลงมาอย่างผู้ตุชนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายไม่แน่นอนพร้อมที่จะหลุดต่ำลงไปได้ต่ำคืออะไรอย่างเดียวนี้เราเป็นมนุษย์สมบูรณ์เกิดพบหน้าชาติหน้าถ้าเราไม่ขนขวายอาจจะเป็นคนพิการก็ได้บ้าใบเสียจิต แข่งขาพิกงพิการก็ได้เพราะเราไม่มีบุญมาเกิดเราไม่มีทุนมาเกิดเรามีบาป พ, พามาเกิดแต่ต่ำกว่านั้นลงไปอีกอาจจะเป็นช้างมา้าโวควายหมูหมาเป็ดไก่ได้ทั้งนั้นเพราะเหตุไรเพราะกรรมคือการกระทำของตนเองในขณะยังมีชีวิตอยู่ไม่สะแหวงหาทรัพย์ไม่สะแสวงหาบุญไม่ได้สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจมีแต่เที่ยวมีแต่เล่นมีแต่ เออละเฮยลอยลมไปเรื่อยไม่ได้ขนขวายบุญกุศลเข้าสู่จิตใจพอออกจากชาตินี้แล้วก็นั่นแหะตกต่ําได้ไง่ายๆเหมือนกันเพราะไม่มีทุนไ ม, ไม่มีบุญเกื้อกูลหนุนเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะการสร้างบุญสร้างกุศลตัวเองนะ่ะทำเอาดีที่สุดไม่ใช่ว่าตัวเองตายไปแล้วยังจะให้คนอื่นทําให้มันทําให้กับอย่างนั้นแหละตกตกหลน่นหล่นเอเพออาจจะไม่ถึง ตัวของเราอีกต่างหากเพราะเหตุไรเพราะเราไม่ได้ทำเองถ้าเราทำเองนั่นแหละดีที่สุดเราจะจะทำอะไรเราจะรักษาศีลเราจะไหวพระเราจะสวดมนต์เราจะแบ่งทำบุญทำทานยังไงที่ไหนอย่างไ ร, ไางไรการเสียสละทำทานเราก็ทำตามอัตภาพจากนั้นไหวพระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติดูแลพ่อแม่ ล้วนแล้วแต่เป็นคุณงามความดีล้วนแล้วแต่เป็นบุญเป็นกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจล้วนแล้วจะเป็นสิ่งที่จะเก็บหอมลอมเล็บบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของพวกเราทางนั้นแต่ถ้าพวกเราเฉยเมยไม่เชื่อนะเนยคำว่าไม่เชื่อคำนี้แหละมันจะไ ม, ไม่สั่งสมบุญกุศล เ, เหมือนกับเราไม่เชื่อธนบัตรอย่างนั้นแข้าไม่เชื่อว่ากระดาษแผ่นนี้เย จะเชื่ออะไรได้ไม่เชื่อพอตายไปแล้วความว่าไม่เชื่อคำนี้แหละมันจะเข้ามาเข้าสู่จิตใจของพวกเราพอเราไม่เชื่อเพราะนั้นเราต้องศรัทธาคือความเชื่อในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไว้ก่อนถ้าหากว่าไม่อยากจะเชื่อใครอื่นเลยหลักพิสูจน์มีไหมเหมือนกับเราบ่าไฟมันร้อนไฟมันร้อนหนละ้ว เราไม่เชื่อเพราะเราไม่เคยถูกไฟไหม้ถูกไฟชอ็อตถูกไฟจี้เรามีไหมไฟมีมันอยู่ที่ไหนไฟอยู่ที่นั่นเลยเอามือจี้เข้าไปเลยเออมันก็จะดุ่งโยงนลยโอ้ไฟมันร้อนอย่างนี้เองเนี่นี่ก็เหมือนกันหลักพิสูจน์ว่าตายแล้วเกิดตายแล้วสูตรมีไหมมีอยู่ที่ตรงไหนพระพุทธเจ้าไปพิสูจน์แล้วนั่งสมาธิจิตใจให้สงบ ครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงปู่มั่นครูบาอาจารย์ทุกองค น, นท่านไปถามเลยสิแว่าตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วสูญท่านยืนยันเด็ดขาดแล้วลว่าตายแล้วต้องเกิดแน่นอนเพราะเหตุไรเพราะท่านทําใจให้สงบทําใจให้เป็นหนึ่งเมื่อใจเป็นหนึ่งแล้วจะมองเห็นได้ว่าใจกับกายนี่คนละอันกันเหมือนกับรถกับคนขับรถอย่างที่หลวงพ่อได้พูดถ้าว่าใจดวงนี้ไม่มีคุณภาพไม่มีคุณธรรม ไม่มีศีลธรรมจริยธรรมที่ดีแล้วพร้อมที่จะตกต่ำแต่ถ้าว่าเราสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าเข้าสู่ใจแล้วใจที่เป็นสมาธิดีแล้วออกจากนี่ไปต้องเป็นพรหมต้าไปเกิดเป็นพรหมแต่ถ้าว่าเราสร้างบุญสร้างกุศลธรรมดาด้วยอันนิสงสิ์อันนิสงทานก็ไปสู่สวรรค์นีนะ่ท่านดูชัดท่านเชื่อด้วยตนเองเชื่อด้วยตัวของท่านเอง นี้ก็เหมือนกันนะพวกเราทุกๆท่าน เ, าเวลาเราไม่อยากจะเชื่อใครก็ให้ภาวนาให้เชื่อตอนเองเอ่ะในแนวปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้แล้วท่านกล่าวไว้แล้วพิธีทำทำอย่างนี้นะนั่งกัดสมาธินะอย่าไปคิดปุงฟุ้งซ่านนะยึดลมหายใจเข้าออกนะยึดพุทโธนะทำใจให้นิ่งนะให้มีสติสัมปชัญญะนะอยู่กับตัวเองนะ เน่เมื่อท่านทำอย่างนี้แล้วสูนเจ้าทำอย่างนี้แล้วใจของสูนเจ้าจะสงบเมื่อใจสูนเจ้าสงบแล้วสูนเจ้าจะเห็นได้จะรู้ได้ด้วยตนเองเพราะธรรมะเป็นปัจจตังผู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้ได้แลับปอนะที่นี้อนุมโมทนาให้ปอ